คือพุทธพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งแล้วไม่ได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้ เป็นสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยมันไม่ใช่สิ่งของมีสีเขียวหรือสีเหลืองและไม่มีทั้งรูปไม่มีทั้งการปรากฏมันไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งต่างๆที่มีการตั้งอยู่หรือไม่มีการตั้งอยู่ไม่อาจจะลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่า มันไม่ใช่ของยาวของสั้นของใหญ่ของเล็กทั้งนี้เพราะมันอยู่เหนือขอบเขตเหนือการวัดเหนือการตั้งชื่อเหนือการทิ้งร่องรอยไว้หรือแม้การเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิ้นจิตหนึ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งเราเห็นว่า ตำตาเราอยู่แท้แต่จงลองไปใช้เหตุผลว่ามันเป็นอะไรเป็นต้นกับมันเข้าดูสิเราจะหล่นไปสู่ความผิดพลาดทันทีสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับของว่างอันปราศจากขอบทุกๆด้านซึ่งไม่อาจอยังหรือวัดได้จิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุทธ ไม่มีแตกต่างระหว่างพุท ธ, ธะกับสัตว์โลกทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นต่อรูปธรรมต่างๆเสียและเพราะเหตุนั้นเขาจึงแสวงหาพุท ธ, ธภาวะจากภายนอกการแสวงหาของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองทําให้เขาพลาดจากพุทธภาวะการทําสิ่ง น, นี้ เท่ากับการใช้สิ่งซึ่งเป็นพุทธะให้เที่ยวสแสวงหาพุทธะและการใช้จิตให้เที่ยวจับฉวยจิตแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะพยายามถึงสุดความสามารถของเขาอยู่ตั้งกับหนึ่งเต็มๆ เ, เขาก็จะไม่สามารถลุกถึงพุทธภาวะได้เลยเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเอง เพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งและหมดความกรนกระวายเพราะการสแสวงหาเสียเท่านั้นพุทธะก็จะปรากฏตรงหน้าเขาเพราะว่าจิตนี้ก็คือพุทธะนั่นเองพุทธะก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองสิ่งสิ่งนี้ในเมื่อปรากฏอยู่ที่สามัญสัตว จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็หาไม่เมื่อปรากฏอยู่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสิ่งใหญ่หลวงก็หาไม่สำหรับการบำเพ็ญปารมิตาทั้งหก็ดีการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติที่คล้ายๆกันอีกเป็นจำนวนมากก็ดี หรือการได้บุญมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาเลยก็ดีเหล่านี้นั้นจงคิดดูเถิดถ้าเราเป็นผู้สมบูรณ์โดยสัจจะพื้นฐานในทุกๆ ก, กรณีอยู่แล้วซึ่งเป็นจิตหนึ่งหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพุทธะทั้งหลายอยู่แล้วเราก็ไม่ควรพยายามจะเพิ่มเติมอะไร ให้แก่สิ่งซึ่งสมบูรณ์อยู่แล้วนั้นด้วยการบำเพ็ญวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งไร้ความหมายเหล่านั้นไม่ใช่หรือเมื่อไรโอกาสอำนวยให้ทำก็ทำมันไปและเมื่อโอกาสผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆก็แล้วกันถ้าเรายังไม่เห็นตระหนักอย่างเด็ดขาดลงไปว่าจิตนั้นคือพุทธก็ดี แล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นต่อรูปธรรมต่างๆอยู่ก็ดีต่อวัดปฏิบัติต่างๆอยู่ก็ดีและต่อวิธีการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆอยู่ก็ดีแนวความคิดของเราก็ยังคงผิดพลาดอยู่ไม่เข้าร่องเข้ารอยกันกับทางทางโน้นเสียเลยจิตหนึ่งนี้เท่านั้น เป็นพุท ธ, ธะไม่มีพุท ธ, ธะอื่นใดที่ไหนอีกไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีกมันเจมจ้าและไรตําหนิเช่นเดียวกับความว่างคือมันไม่มีรูปร่างและปรากฏการใดๆเลยการใช้จิตของเราปรุงแต่งคิดฝันไปต่างๆนั้นเท่ากับเราละอิงเนื้อหาอันเป็นสารเสีย แล้วไปผูกพันตัวเองอยู่กับรูปธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกพุท ธ, ธะซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ใช่พุท ธ, ธะของความยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติปารมิตาทั้งหกและการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน ด้วยเจตนาที่จะไปเป็นพุท ธ, ธะสักองค์หนึ่งนั้นเป็นการปฏิบัติชนิดคืบหน้าทีละขั้นทีละขั้นแต่พุท ธ, ธะซึ่งมีอยู่ตลอดการดังกล่าวแล้วนั้นหาใช่พุท ธ, ธะที่ลุกถึงได้ด้วยการปฏิบัติเป็นขั้นๆันเช่นนั้นไหมเรื่องมันเพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งนั้นเท่านั้น และไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรนี่แหละคือพุท ธ, ธะที่แท้จริงพุท ธ, ธะและสัตว์โลกทั้งหลายคือจิตจิตหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีอะไรอื่นนอกจากนี้อีกแล้วจิตเป็นเหมือนกับความว่างซึ่งภายในนั้นย่อมไม่มีความสับสน และความไม่ดีต่างๆดังจะเห็นได้ในเมื่อดวงอาทิตย์ผ่านไปในที่ว่างนั้นย่อมส่องแสงไปได้ทั้งสี่มุมโลกเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นย่อมทำความสว่างทั่วทั้งพื้นโลกความว่างที่แท้จริงนั้นมันก็ไม่ได้สว่างขึ้นและเมื่อพระอาทิตย์ตกความว่างก็ไม่ได้มืดลง ปรากฏการของความสว่างและความมืดย่อมสับเปลี่ยนซึ่งกันและกันแต่ธรรมชาติของความว่างนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองจิตของพุทธและของสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นถ้าเรามองดูพุทธว่าเป็นผู้แสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่บริสุทธิ์ผ่องใสและรู้แจ้งก็ดี หรือมองดูสัตว์โลกทั้งหลายว่าเป็นผู้แสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่โง่งเงา่ามืดมนและมีอาการสลบสลายก็ดีความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้อันเป็นผลเกิดมาจากความคิดยึดมั่นต่อรูปธรรมนั้นจากกันระไว้เสียจากความรู้อันสูงสุดถึงแม้ว่าเราจะได้ปฏิบัติมาตลอดกี่กับนับไม่วน ประดดเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาแล้วก็ตามมีแต่จิตหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดแม้แต่อนุภาคเดียวที่จะอิงอาศัยได้เพราะจิตนั้นเองคือพุทธเมื่อพวกเราเป็นเพียงนักศึกษาเรื่องทางทางโน้น ยังไม่ลืมตาต่อสิ่งซึ่งเป็นสาระกล่าวคือจิตนี้พวกเราจะปิดบังจิตนั้นเสียด้วยความคิดพรุงแต่งของเราเองพวกเราจะสแสวงหาพุท ธ, ธะนอกตัวเราเองพวกเราจะยังคงยึดมั่นถือมั่นต่อรูปธรรมทั้งหลายต่อการปฏิบัติเมาบุญต่างๆและสิ่งอื่นๆทํำนองนั้นทั้งหมดนี้เป็นอันตราย ไม่ใช่หนทางอันนำไปสู่ความรู้อันสูงสุดนั้นแต่อย่างใดเลยเนื้อแท้แห่งสิ่งสูงสุดสิ่งนี้โดยภายในแล้วย่อมเหมือนกับท่อนไม้หรือก้อนหินคือภายในนั้นปราศจากความเคลื่อนไหวและโดยภายนอกแล้วย่อมเหมือนกับความว่างกล่าวคือปราศจากขอบเขตและสิ่งกีดขวางใดๆ สิ่ง น, นี้มันไม่ใช่เป็นฝ่ายนามธรรมหรือฝ่ายรูปธรรมมันไม่มีที่ตั้งเฉพาะไม่มีรูปร่างและไม่อาจจะหายไปได้เลยจิตนี้ไม่ใช่จิต ซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นสิ่งซึ่งอยู่ต่างหากปราศจากการเกี่ยวข้องกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิงฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสัตว์โลกทั้งปวงก็เป็นเช่นนั้นถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถปลดเปลื้องตอนเองออกเสียจากความคิดปรุงแต่งเท่านั้นพวกเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่าง หลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตนั่นเองซึ่งท่านนอกไปจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนั่นแหละคือหลักธรรมซึ่งท่านนอกไปจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่ม่ใช่จิต การที่จะกล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตดังนี้นั่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จริงสิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูดขอจงเลิกหละกการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิน้นเมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าคลองแห่งคำพูดก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วพลึดของจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ้นเชิงแล้ว จิตนี้คือพุทธโยนิอันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนสัตว์ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดกระดุกกระดิกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจา้าพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนแต่เป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีแตกต่างกันเลยความแตกต่างทั้งหลาย เกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆเท่านั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิดไม่มีหยุดธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธะดั้งเดิมของเรานั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งซึ่งไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตน แม้แต่สักปรมาลูเดียวสิ่งนั้นก็คือความว่างเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่ทุกแห่งสงบเงียบและไม่มีอะไรเจือปนมันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเรนลับและก็หมดกันเพียงเท่านั้นเองจงเข้าไปสู่สิ่งสิ่งนี้ได้ลึกซึ้ง โดยการลืมตาต่อสิ่งนี้ด้วยตัวเราเองสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเรานี้แหละคือสิ่งสิ่งนั้นในอัตราที่เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้นและสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกไปจากนี้อีกแล้วจิต ก็คือพุทธะสิ่งสูงสุดมันย่อมรวมสิ่งทุกสิ่งเข้าไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเภทที่ต่ำต้อยที่สุดซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ได้อกและมแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่ำ สิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นพุท ธ, ธะเท่ากันหมดและทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับจิตหนึ่งนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับพุท ธ, ธะอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองนี้ให้สำเร็จ แล้วคนพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจำเป็นจะต้องสแสวงหาแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นถ้าเราทำความสงบอยู่จริงๆ เว้นขาดจากการนึกคิดซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้แต่น้อยที่สุดเสียให้ได้จริงตัวแท้ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นความว่างแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ปราศจากรูปมันไม่ได้กินเนื้อที่อะไรอะไรที่ไหนแม้แต่จุดเดียวมันไม่ได้ตกลงสู่การบัญญัติว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่ หรือว่าไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยเพราะเหตุที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะเพราะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของคนเรานั้นมันเป็นคันหรือเป็นกำเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลย ในการทำปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปของมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดุกในการพูดเราพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญาแต่ในขณะที่มันไม่ได้ทำการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่คิดนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นอีกแม้ในขณะที่มันทำหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในฐานะที่ตอบสนองต่อกฎแห่งความเป็นเหตุและผลของกันและกันนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะตา หูจมูกลิ้นกายและมโนทวารอยู่นั่นเองถ้าเราทราบความเป็นจริงข้อนี้เราทำความสงบเงียบสนิทอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังนั้นเราควรจเจริญจิต ให้หยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมูลท่าทั้งห้าซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นวิญญาณ น, นั้นมันเป็นของว่างเปล่าแต่ละมูลท่าทั้งสี่ของรูปกายนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งประกอบขึ้นเป็นตัวของเรา จริงแท้นั้นไม่มีรูปร่างและไม่มีอาการมาไม่มีอาการไปธรรมชาติเดิมแท้ของเรานั้นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีการตั้งต้นขึ้นที่การเกิดไม่มีการสิ้นสุดลงที่การตายแต่เป็นของสิ่งเดียวรวดและปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆในส่วนลึกจริงๆของมันทั้งหมดจิตของเรา กับสิ่งต่างๆซึ่งแวดล้อมเราอยู่นั้นเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ตามนี้จริงๆเราจะได้ลุกถึงความรู้แจ้งเห็นแจ้งได้โดยแวบเดียวในขณะนั้นและเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องข้องเกี่ยวในโลกทั้งสอีกต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่เหนือโลกจะไม่มีการโน้มเอียง ไปสู่การเกิดใหม่อีกแม้แต่นิดเดียวเราจะเป็นแต่ตัวของเราเองเท่านั้นปราศจากความคิดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงและเป็นสิ่งสิ่งเดียวกับสิ่งสูงสุดสิ่งนั้นและเราจะได้ลุกถึงภาวะแห่งความไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปฉะนั้นนี้แหละคือหลักธรรมะ ที่เป็นหลักมูลฐานอยู่ในที่นี้สัมมาสัมโพธิเป็นชื่อของการเห็นแจ้งชัดว่าไม่มีทาใดเลยที่ไม่เป็นโมกข์ถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วของหลอกลวงทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรแก่เราปรญญา ก็คือความรู้แจ้งความรู้แจ้งคือจิตต้นกาเนิดดั้งเดิมซึ่งปราศจากรูปถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ผู้กระทาและสิ่งที่ถูกกระทาคือจิตและวัตถุเป็นของสิ่งเดียวกันนั่นแหละจะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและลึกลับเหนือคาพูดและโดยความเข้าใจอันนี้เองพวกเรา จะได้ลืมตาต่อสัจธรรมที่แท้จริงด้วยตัวเราเองสัจธรรมที่แท้จริงของเรานั้นมันไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้มันเป็นธรรมชาติแห่งผู้ตถาตา ในธรรมชาตินี้ไม่มีทั้งอวิชชาไม่มีทั้งสัมมาทิฏฐิมันเต็มอยู่ในความว่างและเป็นเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆที่จิตของเราได้สร้างขึ้นทั้งฝ่ายนามธรรมและฝ่ายรูปธรรมจะเป็นสิ่งซึ่งอยู่ภายนอกของความว่างนั้นได้อย่างไร โดยหลักมูลฐานแล้วความว่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งปราศจากมิติต่างๆแห่งการกินเนื้อที่คือปราศจากกิเลสปราศจากกรรมปราศจากอาวิชชาและปราศจากสัมมาทิฐิพวกเราต้องทำความข้าใจอย่างกระจางแจ้งว่าโดยแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลย ไม่มีมนุษย์สามัญไม่มีพุท ธ, ธะทั้งหลายเพราะว่าในความว่างนี้ไม่มีอะไรบรรจุอยู่แม้เท่าเส้นขนที่เล็กที่สุดอันจะเป็นสิ่งซึ่งจะมองเห็นได้โดยทามิติหรือกฎแห่งการกินเนื้อที่เลยมันไม่ต้องอาศัยอะไรและไม่ติดเนื่องอยู่กับสิ่งใด มันเป็นความงามที่ไรตําหนิเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ได้โดยตัวมันเองและเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสร้างขึ้นมันเป็นเพชรพลอยที่อยู่เหนือการตีค่าทั้งปวงเสียจริงๆเราต้องแยกรูปถอดด้วยวิชามรคจิตเหตุต้องละผลต้องละช้นี่ก็หมด พ้นเหตุเกิดสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นนามเดิมก็คือความว่างของจักรวาลเข้ากู้กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดเหตุก่อที่ใดมีรูปที่นั้นต้องมีนาม ที่ใดมีน้ำที่นั้นต้องมีรูปรูปน้ำรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิกิริยาให้เปลี่ยนแปลงตลอดกาลและเกิดการเวลาขึ้นคือรูปย่อมมีความดึงดูดซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวและหมุนรอบตัวเองตามปัจจัยรูปเคลื่อนไหวได้ต้องมีน้ำ ความว่างขั้นระหว่างรูปรูปจึงเคลื่อนไหวได้เมื่อสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้สรรพสิ่งของวัตถุสสารมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เกิดดับสืบต่อทุกขณะจิต ไม่มีวันหยุดนิ่งให้คงทนเป็นปัจจุบันทุกอย่างได้จิตวิญญาณก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาลเพราะเป็นมายาหลอกลวงแล้วเปลี่ยนแปลงให้คนหลงจากรูปนามไม่มีชีวิตเปลี่ยนมาเป็นรูปนามมีชีวิตจากรูปนามมีชีวิตมาเป็นรูปนามมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณ ก็เปลี่ยนแปลงแยกออกจากกันไปคงเหลือแต่น้มว่างที่ปราศจากรูปนี้เป็นจุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปนามต้นเหตุเกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุเกิดรูปนามพิภพต่างๆ ต, ตลอดดวงดาวอันนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดรูปนามพิภพต่างๆเป็นเหตุให้เกิดรูปนามพื้ รูปนามพืชเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสัตว์เคลื่อนไหวได้จึงเรียกกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตความจริงรูปนามจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็เคลื่อนไหวได้เพราะมีรูปกับนามเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาอยู่ในตัวให้เคลื่อนไหวตลอดการและเปลี่ยนแปลงเพราะมองด้วยตาเนื้อไม่เห็น จึงเรียกกันว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเมื่อรูปนามของพืชเปลี่ยนมาเป็นรูปนามของสัตว์เป็นจุดตั้งต้นชีวิตของสัตว์และเป็นเหตุให้เกิดจิตวิญญาณการแสดงเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้เกิดกรรมสัตว์ชาติแรก มีแต่สร้างกรรมชั่วสัตว์กินสัตว์และความโกรธโลภหลงตามเหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบกรรมที่สัตว์แสดงมีตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าอย่างแล้วก็เข้ามาประทับบรรจุ บันทึกถ่ายภาพติดอยู่กับรูปปรมณูซึ่งเป็นสุขุมรูปแฝงอยู่ในความว่างเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้ที่แฝงอยู่ในความว่างขั้นระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไว้ได้หมดสิน้นเมื่อสัตว์ชาติแรกเกิดนี้ได้ตายลงมีกรมชั่วอย่างเดียว เป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิดอีกเพื่อให้สัตว์ต้องใช้นี่เกิดกรรมชั่วที่ได้ทำไว้แต่สัตว์เกิดขึ้นมาแล้วหายอมใช้นี่เกิดกันไม่มันกลับเพิ่มนี่ให้เป็นเหตุเกิดทวีคูณจนปัจจุบันชาตินี้ ด้วยอำนาจกรรชั่วที่พวกสัตว์ติดอยู่ในสุขุมรูปห้ากองตลอดเพศผู้เมียเป็นสุขุมรูปที่ติดอยู่ในห้ากองนั้นก็เกิดหมุนรวมกันเข้าเป็นรูปปรมาโนกลมคงรูปอยู่ได้ด้วยการหมุนรอบตัวเองไม่หยุดนิ่งเป็นคูหาให้จิตได้อาศัยอยู่ในข้างในเรียกว่ารูปวิญ ญ, ญาณ หรือจะเรียกว่ารูปถอดก็ได้เพราะถอดมาจากนามว่างภาวะขั้นรูปหยาบนั่นเองซึ่งเป็นสุขุมมรูปแฝงอยู่ในความว่างรูปวิญญาณจึงมีชีวิตอยู่คงทนอยู่ยืนนานกว่ารูปหยาบมีกรมชั่วคอยรักษาให้หมุนคงรูปอยู่ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดฆ่าตายได้ นอกจากนิพพานเท่านั้นรูปวิญญาณจึงจะสลายเรื่องการแสดงกรรมของสัตว์ที่ประทับติดอยู่ในสุขุมรูปตาหูจมูกลิ้นกายห้ากองนั้นรวมกันเข้าเรียกว่าจิตจึงมีสำนักงานของจิต ติดอยู่ในวิญญาณห้ากองรวมเป็นที่ทำงานของจิตกลางและก็ติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกซึ่งเป็นสื่อติดต่อของจิตดังนั้นจิตกับวิญญาณจึงไม่เหมือนกันจิตเป็นตัวรู้นึกคิดส่วนวิญญาณเป็นคูหาให้จิตได้อาศัยอยู่ และเป็นยานพาณะพาจิตไปเกิดหรือจะไปไหนนก็ได้เป็นชีวิตรูปสุขุมรูปที่ถอดมาจากรูปหยาบมีรูปเพศผู้เมียรูปตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ในวิญญาณไว้ได้เป็นเหตุเกิดสืบต่อภพชาติต่อไป เมื่อสัตว์ตายชีวิตร่างกายยาบของภพชาตินั้นๆก็หมดไปตามอายุไขชีวิตร่างกายหยาบของภพภูมิชาตินั้นๆส่วนชีวิตแท้รูปประมณูวิญญาณจะไม่ตายสลายตามจะต้องไปเกิดตามภพภูมิต่างๆ ต, ตามเหตุปัจจัยมันเป็นวัตตะหมุนเวียนเปลี่ยนไป โดยชีวิตแท้รูปถอดหรือวิญญาณหมุนรอบตัวเองนี้เองเป็นเหตุให้จิตเกิดดับซืบต่อคอยรับเหตุการณ์ภายนอกภายในที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบจะดีหรือชั่วก็สะสมเข้าไว้เป็นทุนเหตุเกิด เ, ดเหตุ ด, ดับ หรือปรุงแต่งต่อไปจนกว่ากรรมชั่วเหตุเกิดจะหมดไปชีวิตรูปถอดหรือวิญญาณก็จะหยุดการหมุนรูปสุขุมรูปวิญญาณซึ่งเกิดมาจากกรรมชั่วสืบต่อมาแต่ชาติแรกเกิดก็จะสลายแยกออกจากกันไปคงรูปอยู่ไม่ได้มันก็กระจายไป ส่วนกิจกรรมดีธรรมะที่ติดอยู่กับวิญญาณมันก็กระจายไปกับรูปปรมนณูคงเหลือแต่ความว่างที่ขั้นช่องว่างของรูปปรมาณูทุกๆช่องฉะนั้นโดยปราศจากรูปปรมนณูความว่างนั้นจึงบริสุทธิ์และสว่างรวมเข้ากับความว่างบริสุทธิ์สว่าง ของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างชีวิตพระพุทธศาสนาให้ขอเกิดเป็นชีวิตอย่างบริบูรณ์ดังพระประสงค์แล้วพระพุทธองค์จึงได้ละวิพวตันหานั้น เสด็จสู่อนุ ป, ปาทิเสสนิพานคือเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาเป็นผู้ดับปอบโดยลักษณะการแห่งอนุ ป, ปาทิเสสนิพานของพระพุทธองค์ก็คือลำดับแรกก็ส่งเจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธหมายความว่าเข้าไปดับลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌาน ในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันต่างๆให้สิ้นสนิทเป็นเด็ดขาดแต่อย่างใดยังเพียงเข้าไปเพื่อทรงกระบวนการแห่งการสูนิพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งซึ่งพระองค์ได้สร้างได้ภาคเพียงก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเสียหน่อย ซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดมาจากที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุลีทุก์อันเป็นทุลีทุก์ที่มนุษย์ธรรมดาผู้มีจิตหยาบเกินกว่าจะสัมผัสมันว่าเป็นทุกและกระบวนการการกระทําจิตตนให้ถึงซึ่งสัญญาเวทยิตานิโรดนี้นั้นเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นยอดแห่งาศาสดาในโลกเท่านั้น ที่ทรงคนพกทรงนำมาตีแผ่เผยแจ้งออกสู่สัตว์โลกให้พึงปฏิบัติตามเมื่อทรงสิ่งซึ่งสุดท้ายนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่ภาวะต้นคือปฐมฌานแล้วจึงได้ตัดสินพระไทยสุดท้ายเสด็จดับขันต่างๆไปที่ละขันวิญญาณขันในชีวิตและร่างกายนั้น ได้ดับไปเสียตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ปฐมฌานนานแล้วเพราะต้องดับสังขารขันและสังขารธรรมชั้นแรกเสียก่อนวิญญาณขันจึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญาณขันที่หยาบนั้นพระองค์เริ่มดับสังขารขัน หรือสังขารธรรมชั้นในอันจะส่งผลให้ก่อเกิดวิภาวะตัณหาได้แล้วชั้นหนึ่งซก่อนจึงได้เลื่อนเข้าสู่ทุติยชาญแล้วจึงดับสัญญาขันเลื่อนขึ้นสู่ตติยชาญเมื่อพระองค์ดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกทีก็เป็นอันเลื่อนขึ้นสู่จตุตชะชาญ คงมีแต่เวทนาขันสุดท้ายแห่งชีวิตนั่นคือลักษณะการแห่งชั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อพระองค์ดับสังขารขันหรือสังขารธรรมใหญ่สุดท้ายที่มีอยู่ทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันอันเป็นจิตขันหรือนามขันที่มีจิตส่วนในหรือผวังกจิตเสียก่อนแล้วจึงได้ออกจากจตุตฌาน พร้อมกับมาดับจิตขันหรือนามขันสุดท้ายจริงๆของพระองค์เสียลงเพียงนั้นนี่พระองค์เข้าสูนิพพานอยู่ตรงนี้นั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันในภาวะจิตตื่นหรือในวิธีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะไม่ได้ถูกภาวะอื่นใดครอบงำ เป็นภาวะจงใจไม่ถูกภาวะใดครอบคลุมอำพรางให้ลหลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์เมื่อเวทนาขันสุดท้ายแท้ๆจริงๆได้ถูกทำลายลงอย่างสนิทจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นแล้วซึ่งสังขารธรรมและหมดเชื้อจิตตะคันหรือนามตขันทั้งปวงใดๆในพระองค์ท่าน ไม่มีเหลือคงทิ้งแต่รูปรขันอันจะมีชีวิตนั้นไม่ได้แน่เพราะรูปไม่มีชีวิตหากสิ้นนามเสียแล้วก็คือแท่งก็คือก้อนวัตถุหนึ่งนั้นเท่านั้นเองนั่นแหลคือลำดับฌานที่พระอนุรุตเถระเจ้าได้นำฌานาจิตเข้าไปดูเป็นวิธีการดับโดยแท้ ดับโดยตรงโดยพระองค์เป็นผู้ดับเองเสียด้วย คำสอนของพุทธะทั้งหมดในวัตตะนี้ก็คือการเพราะให้พุทธจิตนั้นผลิตออกมาให้เราปรากฏเห็นเท่านั้นเองเพียงแต่เราทำให้มันว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งล้วนแต่นำไปสู่การเกิดและการดับอยู่ตลอดกาลและนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจของสัตว์โลก และโลกอื่นไปจริงๆเท่านั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้และหาทางออกทั้งหลายทั้งสิ้นเลยคำสอนของพุท ธ, ธะทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียวคือพาพวกเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิดบัดนี้ถ้ารีดความคิด หรือหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้วประโยชน์อะไรด้วยธรรมทั้งหลายที่พุท ธ, ธะได้สอนไว้มันหมายถึงสามารถปฏิบัติจนหยุดคิดของความคิดโปรุงแต่งต่างๆเสียได้ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิตคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไปเป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวง นั่นแหละเป็นตัวธรรมหรือพุท ธ, ธหรือธรรมชาติเดิมแท้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นเพราะเรานั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหวานล้อมหรือเปิดเผย ม, มันได้ความตรัสรู้คือความไม่มีอะไรให้ระลึกถึง พูดถึงได้ก็ไม่พูดแล้วไม่พูดว่าเขารู้อะไรเพราะสิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูดจบเสียงหนังสือเรื่องจิตคือพุทธโดย พระราชุทาจารย์หลวงปุดูลอตตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์